คำอธิบายเทศนาของสมเด็จพระพุท ธ, ธาจาย์โตแสดงเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2514ในเทศนาการ น, นี้มีข้อที่ควรจะจดจำให้แม่นก็คือชีวิตของโอปปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ทำความดีได้ยากนอกสีจากว่าจะมีพื้นมาดีตั้งแต่สมัยเป็นมนุษย์ เพราะความคิดของโอปปาติกะมักจะดิ่งไปทางเดียวนี่คือข้อความตอนหนึ่งในเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จทั้งนี้ก็เพราะชีวิตของโอปปาติกะเหมือนกับชีวิตในความฝันซึ่งถ้าคนไหนรู้ตัวว่าตัวเองกำลังฝันไม่ดีก็จะเปลี่ยนความคิดได้ง่ายแต่เพราะเหตุที่ไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นจึงเปลี่ยนความคิดได้ยาก ถ้าลงว่าความคิดในเรื่องไหนตั้งต้นได้แล้วมันก็จะคิดแต่เรื่องอย่างนั้นไปตลอดจนกว่าจะหมดฤทธิ์ของวิบากที่ก่อให้เกิดความคิดอันนั้นและอย่าลืมว่าคนเราเมื่อนอนหลับถึงแม้จะฝันไม่ดีอย่างไรก็มีทางที่จะตื่นได้ง่ายแต่เมื่อเราตายไปเป็นโอปปาติกะแล้ว เราไม่มีทางที่จะตื่นสภาพของร่างกายและระบบประสาทตลอดถึงสิ่งแวดล้อมที่พบเห็นมีแต่จะอนุโลมไปตามวิบากที่กำลังให้ผลเพราะฉะนั้นจึงเป็นการยากมากที่จะเปลี่ยนความคิดส่วนผู้ที่มีพื้นมาดีซึ่งหมายถึงเข้าใจเรื่องชีวิตของตัวเองดีรู้ว่าตัวเองเกิดขึ้นมาได้อย่างไรมีชีวิตอยู่อย่างไร แตกต่างจากคนในโลกมนุษย์อย่างไรซึ่งพื้นความรู้ที่ว่านี้จะต้องมีมาแล้วตั้งแต่อยู่ในโลกมนุษย์ถ้ามีพื้นมาไม่พอก็ไม่มีทางที่จะตั้งต้นในอันที่จะเข้าใจตัวเองโอปปาติกะที่เข้าใจตัวเองอย่างดีก็อาจจะเปรียบได้กับคนบางคนที่นอนหลับแล้วฝันทั้งที่กำลังหลับอยู่แต่ก็รู้ว่า เรื่องราวทั้งหมดที่พบเห็นอยู่นี้เป็นความฝันเรียกว่าฝันซ้อนฝันคนอย่างเนี้ยหาได้ยากมากในโลกมนุษย์แต่สำหรับผู้ที่ศึกษาเรื่องโลกของโอปปาติกะให้เข้าใจดีในขณะที่ตัวเองยังเป็นมนุษย์เมื่อตายไปเป็นโอปปปาติกะก็มีทางที่จะสร้างความดีได้มากพัฒนาจิตใจของตัวเองให้สูง ด้วยเหตุนี้การศึกษาเรื่องโอปปปาติกะให้เข้าใจตามหลักวิชาที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้จึงเป็นสิ่งจำเป็นมากคนที่กล้าปฏิเสธในเรื่องนี้ก็เพราะเขาไม่เข้าใจเรื่องโอปปปาติกะนั่นเองมีข้อที่น่าสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าอะไรก็ตามที่เราเคยเชื่อ และเคยเข้าใจมาแล้วในชาติก่อนๆหรืออะไรที่เราเคยประพฤติได้มาแล้วในชาติก่อนๆเมื่อเกิดมาอีกก็จะเชื่อและเข้าใจถึงเรื่องซึ่งเคยผ่านมาแล้วไม่ยากปฏิบัติตามก็ไม่ยากดังเช่นเราจะเห็นว่าบุคคลบางคนเมื่อเกิดมาครั้งแรกใหม่ๆที่ยังเป็นเด็กทารกก็อาจจะมีความสงสัยเกี่ยวกับเรื่องตายแล้วเกิดแต่พอได้รับการศึกษา หรือได้ยินได้ฟังจากผู้อื่นซึ่งบางทีก็ไม่ต้องอธิบายแต่แล้วเขาก็เชื่อเขาเชื่อทั้งที่อธิบายเหตุผลไม่ได้รู้แต่ว่าเขาเชื่ออย่างนั้นทั้งนี้เพราะเขาไม่ได้ศึกษาให้เข้าถึงเหตุผลและในทำนองเดียวกันการที่เด็กบางคนไม่มีนิสัย โ, โกหกไม่มีนิสัยในทางลักขโมยทั้งทั้งที่ไม่ต้องอบรมกันมากเพียงแต่ชี้แจงกันเล็กน้อย เขาก็เชื่อและทำตามได้ทันทีแต่เหตุผลไม่เข้าใจทั้งนี้ก็เนื่องมาจากเขาเคยประพฤติอย่างนี้มาแล้วในชาติก่อนๆถ้าท่านเข้าใจเรื่องนี้แจ่มแจ้งท่านก็จะเห็นความจำเป็นว่าความดีต่างๆซึ่งรวมทั้งความเชื่อในทางที่ถูกแม้เราจะมีอยู่แล้วแต่ก็ควรจะต้องเพิ่มพูนทำให้มากจนกระทั่งกลายเป็นนิสัยสันดาน ถ้าหากความดีที่เราสะสมเอาไว้ยังมีกำลังน้อยยังไม่มั่นคงจริงจริงเมื่อตายแล้วกลับมาเกิดเป็นเด็กเราได้รับการศึกษาในทางที่ไม่ถูกก็อาจจะถูกชักจูงให้เห็นผิดเป็นชอบซึ่งตัวอย่างเช่นเนี้ยมีอยู่ทั่วไปแต่ตรงกันข้ามถ้าเราเคยมีความเชื่ออย่างไหนมั่นคงที่สุดและเข้าใจเหตุผลอย่างชัดเจนด้วยตั้งมั่นอยู่ในความดี เราก็จะมีความปลอดภัยไปทุกๆุชาติส่วนคนที่มีพื้นความดีไม่พอซึ่งในขณะที่ยังเป็นมนุษย์อยู่ก็เป็นการยากอยู่แล้วที่เขาจะเห็นผลของความดีอย่างแจ่มแจ้งและเป็นการยากอยู่แล้วที่จะเลิกประพฤติในทางชั่วแม้จะมีผู้แนะนำตักเตือนสักเพียงใดก็ตามก็ในเมื่อเป็นมนุษย์ซึ่งมีทางที่จะกลับใจได้ง่ายกว่าโอปปปาติกะอย่างมากมาย แต่แล้วก็ยังกลับใจไม่ได้เปลี่ยนความประพฤติเปลี่ยนความคิดไม่ได้คนประเภทนี้เมื่อตายไปเป็นโอปปาติกะมันจะยากขึ้นอีกสักกี่เท่าเพราะเหตุนี้หลวงพ่อสมเด็จท่านจึงได้เทศว่าชีวิตของโอปปาติกะนั้นเป็นชีวิตที่ทำความดีได้ยากนอกเสียจากว่าจะมีพื้นมาดีแล้วหวังว่าคาเตือนสติของท่านอันนี้ ท่านผู้อ่านผู้ฟังคงจะเก็บเอาไปคิดไตร่ตรองให้เข้าใจอย่างลึกซึ้งอันหนึ่งท่านให้คติว่ามนุษย์นั้นเมื่อเชื่อเรื่องโอปปปาติกะโดยปฏิหารจะทำให้งมงายยิ่งขึ้น เทศนาของท่านตอนนี้ข้าพเจ้ารู้สึกว่าเป็นการเตือนสติที่ทำให้มองเห็นถึงคนทั่ ว, วไปที่สนใจในเรื่องโอปปาติกะว่าทำไมบุคคลเหล่านี้จึงถูกประนามจากผู้มีการศึกษาจากผู้ที่อยู่ในเหตุผลว่าเป็นคนงมงายขอให้สังเกตจะเห็นได้ชัดว่าเพราะคนเหล่านี้เชื่อในเรื่องปาฏิหารนั่นเองคือถ้ามีการเข้าทรงที่ไหน หรือมีการติดต่อกับวิญญาณที่ไหนถ้าไม่มีปาฏิหาริย์ให้ดูแล้วคนเหล่านี้จะไม่เชื่อและไม่สนใจและไปไปม า, มาในเมื่อไม่พบของจริงตามที่ตัวเองคิดไว้ก็เลยลงมติว่าเรื่องโอปะปะติกะเรื่องผีสางเทวดาเป็นเรื่องงมงายเป็นเรื่องไม่จริงซึ่งนับว่าเป็นการเสียหายเป็นผลร้ายกับตัวเองอย่างยิ่งเป็นมิจฉาทิฐิอย่างร้ายแรงทีเดียว ข้าพเจ้าได้พยายามที่จะแนะนําและชักจูงคนทั้งหลายหันมาเชื่อในเรื่องเหล่านี้ตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และก็ได้ชี้ให้เห็นบ่อยๆถึงสาระประโยชน์อันแท้จริงที่เราจะได้รับจากการเชื่อในเรื่องนี้แต่แล้วก็ปรากฏว่าเพราะเหตุที่สำนักของข้าพเจ้านี้ไม่มีปาฏิหาริย์ให้ดูคนส่วนมากก็เลยไม่สนใจแต่เนี่ยก็ยังไม่ร้ายเท่าไหร่ข้อที่ร้ายก็คือ มีนักศึกษาเป็นจำนวนไม่ใช่น้อยซึ่งมีความเชื่อในเรื่องโอปะปะติกะแต่ไปเชื่อในทางปฏิหารหรือในทางที่จะให้ช่วยรักษาโรคภัยไข้เจ็บเชื่อในทางที่จะให้ปัดเป่าอันตรายและบรรดาลให้สําเร็จสมความปรารถนาอย่างนั้นอย่างนี้คนเหล่านี้ส่วนมากก็มีอาจารย์ที่แนะนำในทางนี้แต่ก็แนะนาไปในทางให้เชื่อโดยอาศัยปฏิหารต่าง คนเหล่านี้ในที่สุดได้กลายเป็นคนตาบอดเพราะความยึดถือที่ผิดของตัวเช่นเมื่อข้าพเจ้าอธิบายหลักวิชาหรือข้อเท็จจริงให้ฟังทั้งที่เขาก็มีพื้นที่จะเชื่อในเรื่องเหล่านี้แต่แล้วเขากลับไม่เชื่อไม่สนใจในสิ่งที่ข้าพเจ้าพูดก็เพราะสาเหตุอย่างเดียวกันคือข้าพเจ้าไม่มีปาฏิหาริย์ให้ดูนั่นเอง อันที่จริงถ้าหากว่าเราตัดเรื่องปฏิหารออกไปไม่สนใจในเรื่องนี้ก็จะเห็นได้ว่าการศึกษาเรื่องโอปปปาติกะเป็นเรื่องไม่ยากเราจะยอมรับความจริงในเรื่องนี้ซึ่งเป็นการยอมรับในทางที่ถูกต้องด้วยโดยไม่ต้องเสียเวลานานและประโยชน์ที่จะได้รับก็มีมากมายเพราะเหตุนี้หลวงพ่อสมเด็จ ท่านจึงได้เตือนมิให้สนใจในเรื่องปาฏิหารแต่อย่างไรก็ดีในเทศนากันนี้ท่านก็ได้ย้มพลายออกมาให้เห็นว่าพวกโอปปปาติกะทั้งหลายมีอะไรพิเศษกว่ามนุษย์แน่นอนและมีปาฏิหารแต่เรื่องปาฏิหารจะต้องมาทีหลังข้าพเจ้าเข้าใจว่าหลวงพ่อสมเด็จต่อไปท่านคงจะแสดงปาฏิหารอะไรสักอย่าง เพื่อให้คนที่สนใจเรื่องปาฏิหารหันมาสนใจในเรื่องนี้กันอย่างถูกต้องแต่ต้องรอเวลาข้าพเจ้าเองก็เชื่อว่าหลวงพ่อสมเด็จท่านมีปาฏิหารแน่นอนแต่ไม่ทราบว่าท่านจะแสดงปาฏิหารอะไรสำหรับคนที่เคยอ่านประวัติของท่านมามากก็ย่อมจะรู้ดีว่าพระที่หลวงพ่อสมเด็จทำขึ้นด้วยตัวของท่านเองนั้นมีความศักดิ์สิทธิ์หลายอย่าง ข้าพเจ้าเคยได้ยินเรื่องเหล่านี้มาบ่อยครั้งจากคนอื่นเล่าแต่ยังไม่เคยได้เห็นด้วยตาตัวเองสักครั้งหนึ่งมีอีกตอนหนึ่งที่ท่านว่าโลกทุกวันนี้นาวิตกยิ่งนักไม่มีใครทราบว่าอะไรจะเกิดขึ้นกำลังจะวุ่นวายจะตายเมื่อไรไม่มีใครรู้ ชีวิตยังมืดมัวนักอันนี้ข้าพเจ้าไม่ทราบเหมือนกันว่ามีความหมายแค่ไหนและในขณะที่กำลังเขียนคำอธิบายของท่านอยู่นี้ท่านไม่อยู่จึงต้องอาศัยถามโอปปปาติกะองค์อื่นและท่านก็ได้ตอบว่าที่หลวงพ่อสมเด็จพูดเช่นนั้นหมายถึงเวลานี้คนทั่วโลกกำลังเดือดร้อนถึงแม้ว่าสงครามล้างโลกจะยังไม่เกิดขึ้นก็จริง แต่ไฟสงครามมันก็ร้อนระอุอยู่ทั่วๆไปเพราะฉะนั้นจึงไม่แน่ว่าจะระเบิดขึ้นมาเมื่อไรและในที่สุดท่านจึงเตือนให้ทุกคนไม่ประมาทขอจงพยายามอ่านหรือฟังข้อความตอนท้ายในเทศนาของท่านดังต่อไปนี้หลายๆครั้ง ขอทุกคนอย่าอยู่เพียงพอรอตายเท่านั้นร่างกายปฏิกูลสูญผลดีใดไฝ่หวังกังวลไว้เป็นเพื่อนตนยามตายคำพูดในตอนท้ายนี้ขอให้พี่นิดพิจารณาให้ถี่ถ้วนคนทุกวันนี้ส่วนมากมีชีวิตอยู่กันไปวันวันหนึ่งโดยไม่มีจุดหมายที่แน่นอนมุงแต่จะแก้ปัญหาเฉพาะหน้าโดยไม่ทราบว่า ทิศทางที่ตัวเองควรจะไปนั้นอยู่ที่ไหนถ้าคนไหนมีฐานะดีก็คอยยังชั่วหน่อยแต่ถ้าคนไหนฐานะยากจนและมองไม่เห็นทางว่าตนเองจะร่ำรวยขึ้นมาได้อย่างไรแม้จะดิ้นรนสักเพียงไรก็รู้สึกไม่มีหวังคนประเภทเนี้ยทำงานไปวันหนึ่งวันหนึ่งแบบสังกระตายซึ่งเป็นชีวิตที่น่าสงสารเขาไร้ที่พึ่งจริง อันที่จริงคนเรานั้นถ้าหากเข้าใจเรื่องชีวิตถูกต้องแม้เราจะยากจนเป็นกรรมกรหาเช้ากินค่ําและมองไม่เห็นทางเลยว่าจะมีฐานะดีขึ้นมาได้อย่างไรแต่ถึงกระนั้นในเมื่อเราเข้าใจว่าชีวิตแท้ๆไม่มีการตายตัวตนที่แท้จริงคือตัวตนที่เป็นวิบากการมีชีวิตอยู่ก็เพื่อต้องการสร้างความดีสร้างจิตใจให้สูงขึ้น และก็มีความแน่ใจในผลแห่งความดีคนประเภทนี้ก็จะมีชีวิตอยู่อย่างสดชื่นร่าเริงเพราะถ้าเปรียบเหมือนคนที่ค้าขายเขาจะเป็นคนค้าขายที่เห็นกำไรเพิ่มขึ้นทุกวันการทำความดีซึ่งในเมื่อเราเข้าใจจริงๆ จ, จะไม่มีการขาดทุนเลยไม่ว่าจะอยู่ในฐานะอะไรจะประกอบอาชีพอะไรเราก็มีโอกาสที่จะสร้างความดีเพิ่มพูนได้ทุกวัน เราจะไม่มีชีวิตอยู่อย่างที่หลวงพ่อเรียกว่าอยู่รอความตายแต่ตรงกันข้ามเราจะมีชีวิตอยู่อย่างมีความหวังอันสดชื่นไม่เบื่อหน่ายไม่ท้อแท้ไม่หมดอะไรตายอยากไม่ว่าเราจะยากจนสักเพียงไรหรือลำบากสักเพียงไรก็ไม่มีความหมาย ร่างกายปฏิกูลศูนย์ผลดีใดไฝ่หวังกังวลไว้เป็นเพื่อนตนยามตายข้าพเจ้ารู้สึกว่าเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จแม้เพียงสั้นๆ น, นี้มีความหมายลึกซึ้งมากมีประโยชน์ในทางให้แสงสว่างอย่างมากมายแก่คนที่ฟังและเข้าใจและเชื่อว่าเป็นเทศนาของหลวงพ่อสมเด็จจริงๆ